m mm -hmm. น, นี้ก็ได้พูดไปนะถึงเรื่องว่าแม้เราจะมาอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดผู้คนไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันอยู่กันอย่างราบรื่นสวยวิถีชีวิตก็ไม่ได้เร่งรีบ เป็นไปอย่างผ่อนคลายสบายสบายแต่บากครั้งผู้คนก็ยังไม่สามารถจะพบกับความสงบใจได้มันสงบแต่ภายนอกนะแต่ว่าภายในยไม่สงบอันนี้เป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะพฤติกรรมและความนึกคิดหรือการวางใจของตน นะถึงแม้เราจะอยู่ในที่ที่สงบสงัดนะแต่ว่าถ้าเราสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคือไม่มีศีล น, นะหรือว่าถึงแม้จะมีศีลครบทั้งห้านะแต่ว่า เราเสพข้อมูลข่าวสารนะทั้งวันนะเล่น l ล n ์เล่น Facebook ดูโทรทัศน์เล่นวิดีโอเกมใจมันก็ไม่สงบหรอกแต่ถึงแม้จะไม่เสพข้อมูลข่าวสารอย่างนั้นนะกายวาจาก็เรียบร้อยนะแต่ถ้าเราปล่อยใจให้ ฟุ้งซ่านเตลอดเปิดเปิงไปก็าหาความสงบได้ยากเหมือนกันเพราะว่าความสงบภายในเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันอยู่ที่ใจนะข้างนอกสงบแต่ข้างในไม่สงบนะพอไม่ได้ฝึกใจวางใจไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกเราฝึกใจนะ อย่างสม่ำเสมอจงกระทั่งใจนี่มีนิสัยใหม่เกิดขึ้นแม้จะอยู่ในที่ที่วุ่นวายเสียงดังออ ก, กระทึกจอแจก็ยังสามารถจะพบความสงบได้อาตอมา เ, าเคยไปสังเวชนิสถาน พวกเราหลายคนก็คงเคยไปมาแล้วสถานที่หนึ่งที่คนนิยมไปก็คือพุทธคยาพุทธคยาเนี่ยถ้าไปในช่วงที่เป็นเทศกาลจาริกเนี่ยก็คือประมาณตั้งแต่พุทศจิตไป็นถึงกุมพามีนานจะมีผู้คนล้นหลามเลย วันหนึ่งเนี่ยคนเป็นหมื่นอาจจะหลายหมื่นแล้วทีนั้นเนี่ยนะก็จะมีเสียงดังนะมันไม่ใช่เสียงคนพูดคุยกันเท่าไหร่แต่เป็นเสียงสวดมนต์แต่ละคณะเมื่อไปก็จะสวดมนต์นเช่นคณะคนไทยก็จะเดินประทักษินสามรอบรอบเจดีพุทธคยา ก็จะสวดมนต์ไปด้วยนะแล้วก็หลายคนก็มีความเข้าใจว่าสวดดังเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นเพราะนั้นก็เปล่งเสียงใหญ่เปล่งเสียงไม่พอนะใช้เครื่องขยายเสียงอีกนะนี่เฉพาะกลุ่มเดือนนะแล้ววันนึงมีกี่กลุ่มอะเวลาเดียวกันนี่มากันหลายกลุ่มและนี่เฉพาะคนไทยนะยังไม่นับกลุ่มพมา่ลาลังกากลุ่มคนอินเดียนะกลุ่มคนทิเบต แต่และกลุ่มนี้ก็ส่งเสียงดังใช้เครื่องขยายเสียงใครที่จะสแสวงหาความสงบเงียบที่นี่พุทธคยาเนี่ยหรือว่าในช่วงที่ช่วงกลางวันเนี่ยหรือว่าตลอดบ่ายเนี่ยเราคงจะผิดหวังแล้วก็สังเกตเห็นผู้คนจำนวนเป็นร้อยเนี่ยนั่งอย่างสงบนะ ตามพื้นที่ที่รอบนะพุทธคยามีทั้งพระมีทั้งโยมนั่งสมาธิแล้วดูเหมือนว่าจะไม่รับรู้ไม่ได้ยินเสียงที่กระหึมนะหลากหลายภาษาเลยถามว่าไม่ได้ยินหรือเปล่าคงจะได้ยินอ่ะนะแต่ทาไมเขา คนหล่อนนั้นยังสามารถจะนั่งนิ่งๆได้แล้วก็ดูเหมือนมีความสงบด้วยคำตอบก็คงเป็นเพราะว่าแม่หูจะได้ยินเสียงนะแต่ว่าใจเนี่ยนะรู้สึกบวกกับเสียงที่ได้ยินนะรู้ว่าเป็นเสียงแห่งาการสักการะบูชาพระตนัไตร เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากศรัทธาคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเขาได้ยินเสียงนั้นแต่ว่าใจเนี่ยเขารู้สึกต่อเสียงนั้นในทางที่ดีแล้นเสียงจะดังแค่ไหนใจก็สงบได้ในทางตรงข้ามถ้กดว่าไปนั่งอยู่ริมถนนแาวสุขุมวิทนะหรือว่าสีลมหรือว่าในตลาดสดเนี่ย เสียงดังในระดับเดซิเบลเดียวกันอาจจะกระสับกระส่ายก็ได้เสียงดังเหมือนกันเท่ากันแต่ทำไมความสงบที่เกิดขึ้นในใจมันต่างกันอันนี้พราะใจนะพราใจของเราหรือใจของแต่ละคนก็รู้สึกดีรู้สึกบวกกับเสียงใจก็ ไม่กระเพื่อมนะสามารถจะกำหนดจิตยอยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมได้อย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็หมายความว่าเวลามีเสียงดังกระทบหูเรานะและถ้าเราเกิดความหงุดหงิดลำคาญเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ย ตัวการมันไม่ได้อยู่ที่เสียงนะตัวการที่ใจเราใจเราจะรู้สึกเป็นลบต่อเสียงนั้นเห็นเสียงโทรศรัพท์ดังในศาลาหอไตานีนะ้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแม้จะเป็นเสียงริงโทนนะที่ไพเราะนะแต่เราก็รู้สึกลบกับเสียงนั้น อาจจะรู้สึกลบ ก, กับเจ้าของโทรศัพท์ด้วยนะว่าไม่ปิดโทรศัพท์อาจจะมีการตำหนินะต่อว่าอยู่ในใจพอรู้สึกลบเท่านั้นนะใจเราเกิดโทสะนะใจเราเป็นทุกทันทีนี่เนี่ยการวางใจต่อเสียงเนี่ยหรือต่อสิ่ ง, งที่สิ่งที่มากระทบไม่ใช่เฉพาะทางหูนะแต่รวมถึงทางตา ทางกายด้วยเนี่ยหลวมทังทางลิ้นทางจมูกนะความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันเป็นตัวกําหนดว่าเราจะสุขหรือทุกข์ถ้าเรารู้สึกในทางบวกนะใจเราก็เป็นสุขหรือเป็นปกตินะแต่บางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกเป็นบวกกับเสียงนะ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะมีสติรู้ทันอาการของใจที่กระเพื่อมมันก็ช่วยทำให้ใจเราเป็นปกติได้นะความรู้สึกบวกนีก่มันก็เป็นปรากการชั้นแรกนะที่ทำให้ใจเราเป็นปกติเมื่อเกิดผัสสะหรือการกระทบขึ้นแต่ถึงแม้เราไม่รู้สึกบวกแต่มันก็ยมีด่านที่สองที่จะช่วยรักษาใจเราไว้ได้คือสตินะ มีเสียงกระทบหูนะหรือว่ามีสิ่งหยาบ ก, กระด้างมากระทบกายใจกระเพื่อมเพราะเกิดความยินร้ายไม่ชอบนะแต่ถ้าทันทีที่ใจเราเป็นปกติหรือว่าวางใจเป็นกลางกับเสียงนั้นนะไม่มีอาการไปต่อสู้ผักสายกับเสียงนั้นนะ แค่รู้ทันเฉยๆหรือแค่เห็นอาการของใจที่มันกระเพื่อมนะใจแล้วกลับมาเป็นปกติได้การรู้ทันอาการของใจเนี่ยนะอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีสตินะบางทีเราก็ใช้คำว่าเห็นนะคำว่าเห็นหรือรู้ทันนี่ก็เป็นมีความหมายเดียวกันนะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ สตนะิใจกระเพื่มอมเราเห็นนะมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาในคือสติพอเห็นแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำอะไรกับอาการที่กระเพื่อนั้นแค่เห็นอย่างเดียวก็ช่วยช่วยเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นนะไม่รู้ทัน มันเกิดอะไรตามมาเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นหรือเข้าไปยึดนะพอมีอาการกระเพื่อมเกิดความยินร้ายขึ้นเกิดความไม่พอใจขึ้นนะไม่เห็นนะไม่เห็นอาการนั้นนะจิตมันก็จะโผล่เข้าไปเป็นเลยแทนที่จะเห็นความหงุดหงิดก็เป็นผู้หงุดหงิด แทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธนะตรงนี้เนี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีหลวงพ่อคมเขียนท่านจะพูดย้ำเสมอนะว่าให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าเห็นสะอย่างเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับใจแม้จะเป็นลบ มันก็ไม่สามารถทำให้เป็นทุกข์ได้แม้สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความเครียดนะความหงุดหงิดหรือแม้แต่ความเจ็บความปวดแต่ถ้าไม่เห็นหรือไม่รู้ทันนะจิตมันก็จะโดดเข้าไปเข้าไปเป็นนะเข้าไปยึดเอาไว้เกิดอะไรขึ้นนะเกิดความทุกข์เลย เ, เราต้องแยกให้เห็นความแตกต่างนะระหว่างเห็นกับเป็นการเจริญสติมันช่วยทาให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นแต่ถ้าม้ปฏิบัติเนี่ยก็ข้อใจยากนะเพราะว่าแค่อาการเห็นมันเป็นยังไงเนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนึกเอานะเป็นเรื่องที่เกิดจากการ ปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์เคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะมาปรึกษาหลวงพ่อคําเขียนว่าหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดเหลือเกินนหลวงพ่อไม่ตอบนะแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยยังถามไม่ถูกให้ถามใหม่เพราะวามาอยู่วัดหลายวันแล้วนะน่าจะถามให้ถูกต้อง แกก็อยู่สักพักคิดสักพักแล้วก็บอกว่าอหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินอ่ถามงี้เนี่ยพูดอย่างเนี้ถือว่าพูดถูกแล้วละ่ะมันต่างกันนะระหว่างหนูเครียดเหลือเกินกับหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินเนี่ยหนูเครียดเหลือเกินว่าหนูเป็นผู้เครียดไปแล้วนี่เรียกว่าไปเป็น แต่ตันูเห็นความเครียดนี่นะอ่าแสดงว่ารู้แล้วนะว่าเห็นกับเป็นมันต่างกันอย่างไรถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราปฏิบัติมาหลายวันก็ต้องอย่างนั้นก็ต้องแยกเห็นแยกเห็นความแตกต่างได้นะว่าเห็นนะกับเป็นมันต่างกันอย่างไรความเครียดนี่ถ้าเห็นมันนะมันมันรบกวนรังความจิตใจเราน้อยนะ แต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่นี่โอ้ยกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีเห็นความเครียดถ้ามันเกิดขึ้นเราเห็นมันนะเออเราได้ประโยชน์นะเพราะว่าเราจะเห็นลักษณะของมันเราจะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันจะแสดงไตลักษณะแสดงอนิจจังให้เราเห็นนะจากเดิมที่เห็นความเครียดต่อไปก็จะเห็น ความจริงที่ซ่อนอยู่หรือกํากับสิ่งเหล่านั้นอยู่นะความโกรธก็เหมือนกันนะนักปฏิบัติหลายคนไม่ชอบเพราะมันทําให้จิตไม่สงบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นมันนะไอความโกรธเนี่ยมันก็จะรบกวนเราน้อยลงถ้าเราไม่เห็นก็เหมือนว่าเราก็คือเราเข้าไปเป็นถ้าความโกรธเปี่ยกเมือนกักองไฟก็ก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ถลําเข้าไป อยู่กลางกองไฟแล้วมันก็ร้อนอันนี้เรียกว่าเป็นแต่ถ้าเห็นก็คือว่าออกมาจากกองไฟ ย, ย, งงนะยืนดูอยู่ห่างๆนะยืนดูยวงห่างกองไฟจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้ายืนอยู่ห่างเนี่ยมันก็ไม่ร้อนยิ่งห่างเท่าไหรนะ่นะก็ยิ่งสบายมากทุนนั้นแล้วในสุดกองไฟก็จะดับไปเพราะว่า เราไม่เข้าไปเติมเชื่อเติมฟื้นให้มันเราเติมเชื่อเติมฟื้นให้มันได้อย่างไรนะก็โดยการที่นึกถึงมัน บ, บ่อยๆนึกถึงคนที่เราเกลียด บ, ยบย่อยๆนึกถึงคนที่เราโกรธอยู่ไม่หยุดหย่อนท่านั้งที่ไม่ชอบเขาแต่ก็นึกถึงเขาอาจจะเรียกว่าวันละหลายครั้ง กินก็นึกนอนก็นึกเนี่ยไอการนึกเช่นนั้นแหละคือการเติมเชื้อเติมฟืนให้กับกองไฟแห่งความโกรธมันจึงไหม้มัน จ, งนจึงลุกนะอยู่เรื่อยๆทั้งที่เราไม่ชอบนะทั้งที่เราอยากจะผลักไส ความคิดหรืออารมณ์เหล่านั้นความโกรธเราไม่ชอบเราอยากจะกรบเราอยากจะผลักมันแต่สุดท้ายเราก็ถูกมันดูดนะหรือจมหายเข้าไปนะในอารมณ์ในกองไฟแห่งความโกรธนั้นนั่นพราะไม่มีสตินะแล้วก็ วางจิตวางใจไม่ถูกต้องมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็รู้นะว่าเรากำลังฉันกาลังโกรธนะแต่ทำไมายังโกรธอยู่นะก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกลบต่อความโกรธมันก็ไปพยายามผลักพยายามพยายามต่อสู้กับความโกรธ แต่ความรู้สึกลบที่ไม่แต่ความโกรดนั่นแหละเป็นเชื้อที่ทําให้ความโกรธเนี่ยมันไม่ยอมเลิกสทัทีเหมือนกับว่ากองไฟไหม้เราเอาน้ําดับแต่น้ํา น, นั้นเนี่ยมันดันมีน้ํามันเจือปนอยู่อันพอสาดน้ําลงไปเนี่ยไฟมันก็ไม่ดับะนะเพราะมันมีน้ํามันเจือปนอยู่เวลาเราเวลาเรามี เวลาเรารู้ว่าใจมันโกรธนะแต่ว่าในส่วนลึกของใจเนี่ยมันมีความรู้สึกลบมันมีโทสะเจือปนอยู่เป็นโทสะ ท, ที่แสดงต่อความโกรธนะไม่ชอบความโกรธนะแต่ว่ากับโกรธความโกรธนะกลับไม่พอใจความโกรธ มันไม่ใช่สติบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เนี่ยนะมันก็เป็นแค่สักว่ารู้เฉยๆนะเห็นเฉยๆถ้าไม่เห็นเฉยๆไม่รู้เฉยๆเนี่ยมึงคือเข้าไปเข้าไปต่อสู้ผักไสมันแทนที่มันจะดับแทนที่มันจะหายห่างไปมันกลับมีกําลังเพิ่มขึ้นเพราะว่า มันมีโทสะแฝงนะอยู่ในจิตโทสะนั้นทำให้รู้สึกลบไม่พอใจนะอันนี้เคยบอกว่าทาไมรู้ว่าโกรธแต่ทำไมยังโกรธอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆเรารู้แล้วมันมีความรู้สึกลบมันจะเข้าไปจัดการการเจริญสติเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราเข้าใจหลักนะเราก็คือว่าเราจะเห็นมันหรือรู้เฉยๆครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหรวอว่าเขียนกักเรียนเน้นว่าให้รู้ซื่อรู้สื่ อ, อคือรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปสู้รบตบมืออะไรกับมันแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็ทำให้อ า, อาการที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันสงบลง แม้กระทั่งอารมณ์โกรธ จ, จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนะความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตเราผลักไสจิตเราไม่ยอมรับเราจะทุกข์ทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแลวคนไม่ตู้หนักนะว่าที่ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะจิตที่มันเป็นลบ ต่อสิ่งที่รับรู้หรือสิ่งที่กระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจด้วยไอ้สิ่งที่กระทบเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้ทุกข์ก็คือใจที่มันเป็นลบนะเสียงดังยังไงถ้าใจเราไม่ลบไม่รู้สึกลบกับมันสักแต่ว่าได้ยินนะมันก็ไม่ทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะใจเรามัน เป็นลบ ก, กับเสียงมีเรื่องราวสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัทโทเนี่ยท่านยังมีเชิดอยู่นยในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาที่แล้วเนี่ยก็มีาพาฝรั่งหลายรูปเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติกับหลวงพ่อที่วัดหนองปลาพงมีคราวหนึ่ง ในหมู่บ้านซึ่งอย่ห่างจากวัดประมาณสักกิโลนึงเขามีงานคงเป็คนคงเป็นงานศพ น, นะก็เลยเกิดมีหมหรอศพมอรสศพนะทั้งวันและทั้งคืนดนตรีหมอลำหนังกลางแปลงนะสารพัดนะเพราะว่า ง, งานศพนี่ชาวบ้านถือว่าเป็นงานใหญ่ พระนี่นอนไม่หลับเพราะว่าเสียงดังมากนะพระฝรั่งเล่าว่านะก็พระในวัดก็ประชุมกันแล้วก็เลือกตัวแทนไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่ามหมอระศพเนี่ยนะให้ถึงตีหนึ่งได้ไหม พระจะได้หลับได้นอนบ้างอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนที่จะตื่นมาทำวัดตีสามชาวบ้านไม่ยอมเพราะชาวบ้านไม่ยอมทำาไงพระก็เลยไปขอพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อชาเพราะเชื่อว่าชาวบ้านนี่เก่งใจหลวงพ่อชาแล้วคิดว่าหลวงพ่อชาคงจะเห็นด้วยกับพวกพวกตนเพราะท่านก็เห็นว่าพิธีกรรมของชาวบ้านนี่มันก็ฟุ่ม เ, เฟือย นะแล้วก็ท่านก็อยากจะเห็นวัดสงบสงัดนะแต่พอปรึกษาแล้วนะขอความเชื่อจากหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาปฏิเสธผิดคาดท่านบอกว่าเสียงไม่ได้รบกวนพวกท่านท่านอ่ะไปรบกวนเสียงพรานยิ่งงเลยนะไม่เข้าใจว่ยนะให้เราไปรบกวนเสียงยังไงนะ ลบกวนเสียงข้างในไงใจเนี่ยนะมันไปรบกวนไปต่อสู้ไปต่อรอดต่อเถียงกับเสียงนะไม่ใช่แค่ได้ยินเฉยแต่ไปทะเลาะกับเสียงก็เลยทุกข์นะนะกว่าพระเหล่านั้นจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อชาติพุกคงใช้เวลาหลวงพ่พชาทําไม่ได้เดือดร้อนเลยกับเสียงนั่นและนะแม้ว่าท่านจะชอบความสงบสงดัดแต่เสียงดังท่านก็เฉย นะตอนที่ท่านไปพาพระไปไปเผยไปตอนที่ท่านได้นิ ม, มนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศเอังกฤษก็เคยประเจอปัญหาทำนองนี้นะวิหารที่หลวงพ่อชาท่านพักอยู่กลางกรุงลอนดอนตรงข้ามก็มีผับบาร์ สมาธิคงไม่มีคาราโอเกะนะเย็นวันศุกร์เนี่ยก็มีการทุกเย็นอะนะทางวัดก็มีทางวิหารก็มีการนั่งสมาธิประมาณเกือบชั่วโมงระหว่างที่นั่งสมาธินะผับบาร์ตรงข้ามก็ส่งเสียงดังสมาธาดิสโก้ก็เริ่มจะแพร่หลายแล้วหลวงพ่อ หลวงพ่อสุดเโทท่านเล่าว่าท่านนั่งสมาธิไม่มีความสุขเลยเสียงดังก็ยังไม่เท่าไหร่นะมันยังร้องเพลงไม่พอซะด้วยแต่หลวงพ่อช้านี้ท่านนั่งนิ่งเลยนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอจบนำสมาธิจบเจ้าภาพนะชาวกรีกก็มาหาหลวงพ่อขอโทษขอโทษที่มีเสียงรบกวนท่านก็พูดคล้าคลากันนี่แหละ ว, ว่าโยมไปเข้าใจว่า เสียงรบกวนโยมแต่ที่จริงอะโยมไปรบกวนเสียงต่างหากนี่ลองพิจารณาดูนะว่าไอความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ใจเราเนี่ยมันเป็นลบนะกับสิ่งที่มากระทบหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนยุงกัดนะหรือว่าความปวดความเมื่อยจริงจริงมันก็เป็นเรื่องที่พอทนได้นะ มันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดกับกายแต่ว่าบ่อยครั้งเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการต่อเลาะต่อเฉียงกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นพยายามผลักสามันพอผลักสายไม่สำเร็จนะก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งหงุดหงิดใจก็บน่นตีโพยตีพายโอดครวน หารู้ไหมว่าอาการของใจเหล่านั้นแหละนะที่มันซ้ําเติมตัวเราแทนที่จะทุกข์แค่กายก็ทุกข์ใจด้วยแทนที่จะปวดนะกายก็ปวดใจด้วยแต่ถ้าเรามีสตินะเออพอใจมันบ่นววายติโปรตีพายเนี่ยเราจะรู้ทันนะพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันกลับมาเป็นปกตินะหรือจาผู้ดยานั่นคือพอเราเห็นมัน เห็นอาการของใจที่มันโบนวายๆนี่มันกลับเป็นปกติเลยตอนที่เราเห็นเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ว่าจิตมันหลุดออกมานะจากอา่าจากโทสะจากอารมณ์จากความยินร้ายนะความปวดก็เหมือนกันนะความปวดความเมื่อยเนี่ย ลองสังเกตดูนะถ้าเราใช้สตินะดูความปวดความเมื่อยเป็นเนี่ยมันจะเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นกับกายแต่พอไม่มีสติเนี่ยจิตมันก็เลยไปปรุงนะมีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้โกรธเป็นผู้ปวดนะ เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นมันเข้าไปเป็นเพราะเห็นนี่แหละเพราะว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยก็คือไม่มีสติครองใจเนี่ยมันก็จะปรุงตัวกูขึ้นมาและตัวกูนี่แหละนี่ก็จะไปยึดความโกรธความปวดว่าเป็นกูเป็นของกูไปทุกครั้งที่ไม่มีสติมันจะมีความยึดมันจะเกิดการยึดว่าเป็นกูเป็นของกูทั้นที่สิ่งที่ยึดมันไม่น่าจะ ไม่น่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยเช่นความปวดความเมื่อยเนี่ยนะมันน่ายึดว่าเป็นตัวกูของกูที่ไหนนะแต่เพราะความหลงนั่นแหละคือความไม่มีสติเนี่ยมันก็เลยเข้าไปยึดแทนที่จะเห็นว่ากายปวดแขนเมื่อยขาเมื่อยก็กลายเป็นว่ากูปวดกูเมื่อย ไม่มีสติเมื่อไหร่มันมีกูขึ้นตลอดเวลาเวลาเราสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมถ้ามีสติมันก็จะสวะเออกูเดินกูยกมือนะมันมีตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของอิริยาบถต่างๆหรือเป็นผู้กระทำอิริยาบถต่างๆอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีสติเนี่ย น, นะเวลาเดินก็ ก็จะเห็นว่าโออกายมันเดินไม่ใช่กูเดินเวลาคิดเวลาฟุ้งก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นใจที่คิดที่ฟุ้งมันไม่ใช่กูคิดกูฟุ้งแต่ก่อนนี่มันมีแต่ ก, กูตวพุทงตะพืะพ้นะแต่พอมีสติคลองใจไม่ว่าทำอะไรมันก็เห็นว่ามันก็จะแยกออกมาว่าอ๋ออันนี้กายเดินนะอันนีจ้จิตมันคิดนะ อันนี้เป็นรูปที่เดินอันนี้เป็นนามที่คิดนะนี่แหละที่เรียกว่าแยกกายกับใจนะหลายคนเนี่ยเวลาพูดว่าแยกกายกับใจเนี่ยไม่เข้าใจมันหมายความว่ายังไงความหมายเบื้องต้นคือว่าแทนที่จะเห็นว่าอะไรอะไรก็เป็นกูมันแยกออกมาว่าอ๋ออันนี้เป็นรูปกระทําอันนี้เป็นนามกระทําเำครูบาอาจารย์เขาว่ารูปทำนามทำนะแต่ก่อนมีแต่กูทำกูทำนะ แต่พอมีสติปุ๊บนี่มันเห็นอ๋อนี่รูปธรรมอันนี้นามธรมรมธรรมนี่คือทอสาระอํานะอันนี้เรียกว่าแยกกายกับใจนะแต่ก่อนมันไม่แยกมันมีแตะกูนะมันมีตะกูนะก็เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันจะแยกออกมาเป็นกายกับใจเป็นรูปกับนามหลวงพอ่อคำเดียรใช้คำว่าทะลุงนะสติเป็นตัวทะลุง ถลุงนี่มันแปลว่าแยกนะแยกย่อยเหมือนกับเราใช้ถลุงแร่เนี่ยไอ้ก้อนแร่ที่มันสกรปรกเนี่ยพอถลุงแล้วมันก็เหลือแต่แร่ที่เป็นของดีนะสติเป็นตัวถลุงจากเดิมที่อะไรแล้วก็กูนะกูเดินกูคีดกูโกรธกูปวดนะพอมีสติปุ๊บนี่นะอันนี้เป็นเรื่องของรูปอันนี้รูปเดิน อันนี้นามคิดนะต่อมันจะแยกเป็นเวทนาอ่อเวทนาก็อันหนึ่งนะกายก็อันหนึ่งนะจิตก็อันหนึ่งตอนแรกก็เห็นว่ากายปวดกายปวดตอนหลังดูไปดูไปเอ๊ะเราจะแยกมาว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งอารมณ์นะตอนก่อนนี่เวลาโกรธนี่กูโกรธนะต่อไปมันแยกมาออกความโกรธก็อันหนึ่งนะจิตก็อันหนึ่ง เนี่ยการเห็นเนี่ยนะทีแรกมันทำให้ใจสงบนะพอเราเห็นอารมณ์เนี่ยต่างๆอารมณ์ก็ไม่รบกวนใจก็สงบแต่ต่อไปพอเห็นนะเห็นความจริงในลักษณะที่ว่ามาเนี่ยนะว่ากายก็อันหนึ่งนะเจตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งตอนนี้มันเริ่มเข้าวิปัสสนาแล้วน ะ, นะมันจะเห็นว่าโอ้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูเลยนะ ดัน้นเนี่ยการเจริญสตินี่มันมันไม่เพียงแต่ทําให้ใจสงบนะแต่ว่าทําให้ใจสว่างด้วยทําให้ทําให้เห็นความจริงซึ่งจะช่วยทําให้ความยึดติดถือมั่นจางคลายกิเลส ก, ก็เบาบางพอกิเลสเบาบางความยึดติดถือมั่นจางคลายนี่นะความสงบสงัดในจิตใจก็เกิดขึ้นนะอทีแรกเนี่ย ก็สงบนะเป็นครั้งคราวเมื่อมีสติรู้ทันไอ้ความฟุ้งซ่านก็หายไปแต่ว่าเผลอเมือ่อไหร่ก็ฟุ้งใหม่นะเพราะว่ามันยังมีความยึดติดถึงมันยังมีกิเลสคอยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวปรุงตัวกระตุ้นแต่เมื่อแต่ก็กตามที่เห็นความจริงนะเห็นสัจธรรมกิเลสมันเบาบางหรือว่าหมดไปเนี่ยมันก็จะเป็นความสงบอย่างแท้จริง ทางพระเรียกว่าอุปธิวิเวกนะอุปธิวิเวกคือความวิเวกความสงบเพราะไม่มีกิเลสมารบกวนอันเนี้ยอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี้ยสงบจากกิเลสสงัดจากกิเลสกกเลส่วนใหญ่คนรู้จกักแต่ว่าสงัดจากเสียงที่รบกวนมาวัดเพราะว่าวัดเนี่ยคาดหวังว่ามันจะสงัดจากเสียงที่รบกวนสงัดจากชิอะไรที่มันวุ่นวายเสียกระทึกนะแค่นั้นไม่พอนะี่มันต้อง ต้องไปให้ถึงขั้นว่าสังกัดนะจากความฟุ้งซ่านด้วยนะแต่สังกัดจากความฟุ้งซ่า น, นก็เป็นครั้งคราวนะตามใ น, นที่มีกิเลสก็ยังฟุ้งอยู่นะฟุ้งด้วยฟุ้งเป็นด้วยฟุ้งเป็นความโลภบ้างความโกรธบ้างความโศกความลำลายลาพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจบ้างอย่างที่เราโสดทุกเช้าอันนี้เพราะมันมีกิเลสอยู่นะแต่พอกิเลสเบาบางหรือาหายไปเพราะว่า ไม่มีความยึดติดถือมั่นเนื่องจากเห็นความจริงนะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูของกูเลยตรงนี้แหละก็จะสงบสงัดจากกิเลสแล้วเป็นความสงบอย่างแท้จริงเอาล่ะข้ามนี้ก็เพิ่งกรเท่านี้อา้ากลับภาพพร้อมกัน